เราก็นั่งปฏิบัติรามกันที่นี่เขาเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะกันมันไการติดยึดแต่มัเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วอัตลักษณ์ของผู้ที่เคยฝึกหัดมาแล้วมันมีผลทุก็นลดจริงๆ ก็คงจะเหมือนๆกันบ่าเจ้าหลวงพ่อเกยนท่านก็เทศถ้าใครได้มีโอกาสมาทำวัดบ่าเช้าก็เห็นว่ามันจะเป็นสภาวธรรมที่เราปฏิบัติมันก็จะตรงอย่างนั้นละกับําพูดสัจธรรม มันก็คือความจริงจ า, จากความจริงที่มันแสดงออกกับทุกๆคนมันไม่ใช่ว่าใครทั้งนั้นนะอารมปฏิบัติขณะที่เราปฏิบัติเราใส่ใจอยู่สิ่งที่เราทำเป็นสมาธิตั้งใจใส่ใจ ว่าตั้งใจนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเพ่งนะหลายคนก็จะว่ตั้งใจคือเพง่งไม่ใช่เลยเพ่งก็คือเพง่งตั้งใจคือตั้งใจมันก็ตรงไปตรงมาเป็นคําทับศัพท์นนิพานอนันตตาอัตตามันไม่ควรมาเถียงกนะันว่าคืออะไรมันก็คือคําพูดนะที่เขาใส่ลงไปตรงๆกับภาษานนะั้นล่ะ ตรงๆกับสภาวะธรรมตรงๆกับอาการจะไป ต, ตีความจะไปแปลกั น, นเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตามากมายนิพพานก็นคือนิพพานอัตตาคืออัตตาอนัตตาคืออนัตตาความรูสึกตัวคือความรู้สึกตัวไม่มีคำมากไปว่านั้น่น ะ, น ะ, นะตั้งใจหรือตั้งใจใส่ใจคือใส่ใจแต่สภาวะอาการเหล่านั้นะ เราปฏิบัติเราสังเกตได้หรือไม่แค่ความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวเราสังเกตได้หรือไม่เราวว่าบุญมันเป็นยังไงการบุญบาปมเป็นยังไงการบาปกรรมคือการกระทําเป็นยังไงทําภายนอกภายในเป็นยังไงทําดีทํำชั่วคิดดีคิดเชื่อเป็นยังไงกรรมฐานนั้นเป็นยังไงเราฝึกกรรมฐานแล้วต้องรู้จักกรรมฐาน ภาษาไม่ใช่กรรมฐมานานี้เปนกรร ม, มัดฐานนี่มันคออย่างไงมันก็จึงต้องน้อมหันกลับมาใส่ที่ตัวเราแล้วดูเราไม่พ้นดูกายดูใจดูรูปดูนามการเคลื่อนมือมันก็เป็นอารมณ์รูปนามเกิดความคิดขึ้นมามนคืออารมณ์นามรูป แยกตรงนี้ก่อนขณะที่รู้สึกตัวการเคลื่อนมือเราเคลื่อนธรรมดาการเดินเราก็เดินแบบธรรมดาพอเห็นเนี่ยอย่างวันนี้เมื่อเช้านอกปฏิบัติธรรมไปเดินช้าๆกว่าจะยกเท้าได้ว่าจะเหยียบได้กว่าจะเดินได้ไว้แต่ละก้าวแต่ละก้าวเลยบอกเออไปเดินกลางถนนแต่แบบนั้นเน่ะมันจะเป็นจริงหรือเปล่า ธรรมชาติธรรมะคือธรรมดาธรรมดาเดินก็เดินธรรมดาธรรมดาธรรมชาติเคยเดินไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวก็เดินธรรมดาเนี่ยแหละมันไม่เก็กไม่เกลงไม่เพ่งไม่จ้องไม่จี้ไม่กลัวไม่เกิอไม่เขินก็เดินธรรมดาธรรมดาแต่ว่ารู้สึกรู้หรือเปล่าเวลาลงเท้าสัมผัสการสั่นสะเทือนเครียงนไกรรู้จักมันไม่นาน มันก็สบายและทำถูกนะเนี่ยมันไม่เด้หนักไม่ได้อึดอัดนะไม่ได้แน่นไม่ได้เหมือนถูกบังคับนะมันจะเหมือนธรรมดาธรรมดามากเลยแต่ว่ารู้สึกตัวมันจะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นมาจนเราเห็นว่าเออการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยกมือสิบสี่หรืว่าการเดินโยกมันจะผ่อนคลายนะมันจะรู้สึกโล่งๆเหมือนการพักผ่อนเวลาปฏิบัติธรรม กาทำเหมือนกันพักผ่อนมารู้สึงเออทำงานอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้แป๊แนะป๊บวันวันหนึ่งแป๊บแ ป, บ ป, บปวันวันหะนึ่งละบางทีคนเก่าๆนะก็จะทำอะไรเป็นกรรมฐานไปด้เช่นะเป็นกรรมกรก็เป็นกรรมฐานไม่ได้ตัวนะนะก็คือมันทำเป็นนะนะจิตมัจะเรียบๆกับการทำงานนะบางทีมีเวลาก็เป็นนักกรรมฐาน ในรูปแบบหาที่สงบตามกุฏิเรื่อง ม, มุมที่มันเหมาะ ก, กับตนกับตนทุกกดตอนนี้ก็มีทางเดินยังกลมจะ อ, อยู่กุฏิไหนก็ตา ม, มถึงไม่มีเราก็ได้ทำกันอยู่แล้วละกวดกวาดแปลกๆพอเดินได้เก้าเก้าเจเก้าดสามเก้าเดินกลับไปกลับมาเป็นนักกรรมฐานพระกรรมฐาน มีงานทํำ เ, เช่นวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเรียกว่าเคลียร์กันสองสามร้อยว่าชีวิตจะมากันเดี๋ยวต้องเป็นภ้าพลักหน่อยสะ า, าสว่างสงบนะว <s> ัดก็เป็นกรรมกรนี่และครเนี้ย <S <S ก็ปฏิบัติไปเป็นกรรมฐานไปในตัวบางทีก็มีการคนงานไปไปมามาสินค้าของที่จะต้องใช้ส่งเข้ามาก็เป็นกรรมการตรวจรับไป มันไม่ใช่หมายถึงว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หมายถึงว่าทุกๆหน้าที่เราก็เป็นกรรมฐานเป็นการทำทั้งหมดมันก็จึงสะดวกสะดวกเป็นการเต็ ม, ตมทีเดียวในว่าที่นี้หลวงพ่อคาเขียนประทานสงฆ์นนเปิดให้ทุกๆชีวิตได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างผาสุกอย่างปกติสุก ม่จจัสุขที่เกิดจากการเบียดเปลียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเพราะว่าเรากำลังรักนะช่วททำดีแล้วก็ชำระจิตมันเป็นยังไงนะชำระจิตเราก็รู้แล้วเ่อนไหวรู้สึกคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอามีการสัมผัสรู้สึกความรู้สึกตัวคือการสัมผัสแล้วก็รู้ขณะที่สัมผัสเ ป, เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆ ความรู้สึกตัวไม่ใช่ใช้สมองมาเจ้าตั้งกทศ ต, ตรงนี้ยมาดิเจความคิดคิดหาอะไรมันมีอยู่แล้วธรรมะมันไม่ต้องมาหาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันปรากฏชัดมีปัญญารู้เท่ารู้ทันมีสติมีตาในาเห็นมันมันเป็นแหล่งของบุญกายของเราใจของเราเปนแหล่ ง, งความสุขกับกายของเราใจของเราะ ทีมอยากได้ความสุขแบบไฝ่คว้าหาเข้ามาวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามที่นอยากในวัตถุกรรมคุลไฝ่คว้าวัตถุกรรมคุลรวบผลักใสวัตถุกรรมคุลมันกนะระลายเป็นเรื่องทําให้เกิดความทุกข์เกิดงานการขึ้นมามากมายที่จะต้องวันทั้งวันจิตใจสั่นใสซุก ส, ส, สน ไม่รู้จะไปจบตรงไหนจุดตรงไหนบางทีก่อนนอนยังหาเรื่องมาคิดอีกงานนั้นงานนี้งานโน้นมันไม่ปล่อยมันไม่วางความรู้สึกตัวไม่คมมันไม่สลัดคืนเราก็ได้เห็นออตลอดไปเรลาเวลาคือตัวปฏิบัติอารมณ์ปฏิบัติหลวงปู่เทียนก็ชี้ไว้ชัด ไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยดูที่ฐานกายไปเรื่อยๆเนี่ยแหละมันจะเห็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการวิบัติเกิดจากการเคลื่อนไหวมันผลิตขึ้นมาเจตนาเคลื่อนเจตนาไหวก็เป็นกรรมฐานนั่นแหละนามยอกับนามบ่งกันเคยเจตนาคิดดีนพูดดีทดํา ด, ท ด, ท ด, ท ด, ทดีทําในสิ่งที่ชอบทํทำมันก็ทําไปบางทีก็ไม่ชอบแต่ก็ต้องทําก็ทําไป ตัวคำอาถรรก็เลยต้องเจตนารู้สึกมันเกิดความเป็นปกติขึ้นมาขนาดนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับชอบไม่ชอบมันเฉยอย่างเงี้ยแล้วมก็ไปรู้อาการเฉยด้วยนยมันรู้มันตรงตรงรู้เฉยเฉยอะไรที่เราตรงก็คืออาการที่มันเกิดขึ้นมาแสดงออกมาอันไหนอยาบสุดมันรู้ก่อนกายแสดงอาการอยาบสุดขึ้นมาเช่น มันปวดมันเมื่อยมันก็ธรรมดามากเลยไม่มีใครไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ไข้ยิ่งเวลาตายมันก็ต้องผ่านอาการนี้แหละแก่เจ็บตายความแก่ทํำลายกําลังมันทํำลายกําลังความงามความตายมันก็ผ่านการเจ็บป่วยอาการปวด เราก็เห็นอย่างนั้นในหลายคนที่เขาผ่านประสบการณ์ตรงแบบนี้มาไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนไข้เด็กก็โอยคนหนุ่มคนสาวก็โอยคนแก่ก็ยิ่งไปกันใหญ่นึกว่าเออจะมีประสบการณ์เรื่องกรรมฐานระท้ายสุดก็คือสามารถทีิยะหลับตายิ้มตายยิ้มได้มาไปมาก็ยังลองหาคนนั้นคนนี้ก็นู่นอยู่ ต้องให้อารมณ์กันมากมายเหลือเกิน็ณะเราเห็นหลายคนได้ฝึกในหัดตัวเองตอนแก่ตอนเท่านะที่นั่งอยู่นีนก็มีสูงสุดก็แปดสิบกว่านะอย่างนี้เห็นแล้วชื่นใจนะเห็นว่าเ อ, อสิ่งที่ทำกันโย ม, มเป็นสิ่งที่มีสาระมันเป็นสาระชีวิตมันไม่ไร้สาระมันไม่ใช่เป็นสาระ ที่เกิดจากการทําชั่วเดินกรรมฐานมันไม่สายละเร็วเล็วยังมีสายละไม่ใช่แบบนั้นแต่มันกําลังเป็นเรื่องทําให้ชีวิตจิตปัญญาของเรามันอิสระภาพเหนือเกิดเนื้อแก่เนือเจ็บเนือตายเนื้อทุกข์ไปนู่นทุกเกิดที่ความคิดมันก็ต้องเห็นความคิดนทุกเกิดในจิตก็ต้องเห็นจิตเห็นใจของเราไอ้ตาในที่เห็นนั่นเราเรู้จากมัแบบนี้เราเรียกว่าตัวสติ ความเป็นปกติเคลื่อนไหวมันก็ปกติอยู่บางทีจิตใจมีอาการง่วงเหงาห่อนนอนความขี้เกียจขี้การลังเลสงสัยเกิดขึ้นมาการราค า, ต, าต่างๆเกิดขึ้นมาปฏิกะเกิดขึ้นมาราคาปฏิกะปยาบาดพยาปาท้ต่างๆขึงเครียดผูกกดแสดงออกมาในกล่าวของการปรุงการแต่งหลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์เหมือนเกิดขึ้นใหม่ เรากลับมาแล้วกลับมาอีกจนจานาญนมันเป็นพัฒนาการของนักปฏิบัติจริงๆวันนี้ขณะ น, นี้มันก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็ชีวิตมันก็ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาคือมันต้องทําตามอารมณ์เกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างนี้เช่นมันอยากมาความอยากพามา ปัญหาพามาแล้วก็อยู่ในนี้ท้ายสุดปัญหาก็พาไปต่อความอยากก็พาไปต่อไปไหนก็ไปรู้จริงๆโอ้สนุกจะตายทางเดิมจงกรมก็ทำไม่พอเดินแล้วนะแต่าอีกสองวันไปแน่ในสะองวันนี่ประมาณสองร้อยห้าสิบคนสามรอยคนอาจจะไม่พอเดินแต่ก็ยังพออยู่ดีนะสถานที่มันมีอยู่แบ่งๆกันไปคนละซอกคนละมุม เสร็จแล้วก็เดินก้าวเดียวเท่านั้น่ะละในพระสว์บอกก็เดินหน้าถอย ห, หลังคือการฝึกสติในบดสอมยัาปปะพระซึ่งเป็นบดที่มาเช้าเราฟังหลวงพ่อมเขียนท่านสละเสริญแม่บนี้บดอื่นไม่เท่าไหร่อาณาปานาสตินี่ไม่เท่าไหร่มาละเอียดมันเบาเกินไปก็เห็นจริงด้วยเพราะอะไรว่าะนอนหลับก็หายใจไม่มีสติมันก็หายใจ แต่พอเราเคลื่อนมือแต่ลองดูแต่แค่ง่วงก็ยกไม่เคลื่อนแล้วนะยิ่งขาดสตินะไปอยู่กับความคิดมันก็ลอยไปเลยมันไม่เคลื่อนไม่หยุดะมันไหลไปตามอารมณ์พอเรามีประสบการณ์การฝึกขัดมาแล้วก็เห็นอย่างนั้นจริงจริงพอมันเบื่อขี้เกียจไม่ต้องพูดถึงเลยมันก็เดินหนีเลยล่ะยกมือก็ไม่เคลือนอยู่กับความเบือ่อลมเบือ่อบาความเบือ่อชวนหยุดแต่เป็นความขยันก็พาทําเำ แต่พอเราฝึกกรรมฐานความเบื่อก็ไม่ได้พายหยุดนะเบื่อก็ต้องทําความขยันก็ไม่ได้พาทําให้ทํำไวบางทีขยันสังเกต ด, ดูมนเบาใชมันทํำไวมันทําไม่หยุดเลยมันมันมันแนวลมเราก็เห็นแล้วโอ้เนี่ยแสดงว่าหลงอารมณ์อีกแล้วนะจริงๆต้องเคลื่อนหยุดเป็นยังหวะเคลื่อนหยุดเป็นยังไงเคลื่อนหยุดเป็นยังหวงเหมือนกับเวลาเราคัดไทยอ่นะ คัดภาษาอังกฤษหรือว่าเขียนตัวเลขอะไรก็ตามใหม่ๆมีใครอาเขียนเร็วทุกคนเนาะใหม่ๆมก็ต้องแรกทีละเส้นอันนี้ก็เหมือนการพลิกมือก็เคลื่อนหยุดทีละจังหวะพอมันอ่านออกตรงนี้มันถึงจะพัฒนาต่อไปเลยแต่บางคนเนี่ยทยําบนั้นแหละยกบล็อกปอแป๊กปลอกปอกแป๊ ก, ก, กไปแต่ตัวเองไม่เคยทำตัวเองรู้เลยตั้งแต่ต้นแล้วไม่เคยทาแบบนั้นเลยะแล้วก็ไม่ใจว่าเพลงเนี่ยนะทำชา้าๆนะเราเห็นตัวผ่อนคลาย ในการเคลื่อนยกเนี่สบายสบายทั้งวันเวลา ย, ยกเนี่ยไอที่จะมีปัญหาคือปวดหลังปวดเอวแต่ก็ไม่มีไม่ไม่เป็นปัญหาถ้ามีตัวสติแล้วก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเราเห็นว่าเออมันปวดแต่ก็ยังนั่งได้อยู่บางทีปวดปัสสาวะก็เหมือนกันมันก็ยังนั่งได้อยู่เ้วก็ลุกพอลุกขึ้นปป๊บขยับเปลี่ยนมันหยดเลยละ แต่นั่นคือการฝึกการหัดนให้เกิดตบ่าเกิดขันตีขึ้นมาขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวขันติเอาเห็นละอาการมันชวนดูดไปแต่จิตของเรามันก็ถอนออกมามีสติรู้อยู่แล้วมันก็มีลักษณะของอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งอีกนิดตัวขันติไปอย่างนั้นอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึงแทนที่จะห้านาทีสิบนาทีมันก็ไปเรื่อยะ จะบาทีลืมไปเลยมันแยกกันอันนี้คือการฝึกกันหัดแต่ว่าถ้าเป็นการเกี่ยวข้องได้ปัญญาก็เห็นว่าการอดทนอดแกล้นบางขณะเนี่ยมันก็จะมีผลสูงเช่นปวดปัสสาวะกันปัสสาวะนานๆกระเพาะปัสสาวะก็อักเสบเคยฝึกตอนภาษาแรกเห็นชัดเจน ภาษาแรกเนี่ยไปไหนเราก็แบบคูบาาจารย์เอาเยี่ยงเอาอย่างคูบาจารย์เรียกวาก๊อปปี้กันเลยนะทำไมท่านทำอย่างนี้เคยใช้ความอดทน น, ะนอกจากการฝึกการหัดและอดทนแลวสถานการณจริงเช่นนั่งรถนะรถจนเมื่อสิบปีที่ผ่านมาสิบสี่ปีที่ผ่านมาเนะีนะ่ยลักษณะของปั้นน้ำมันมันไม่ค่อยมีหรอกริมข้างทางมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมก็นมนไป นี่มันไปที่กรุงเทพเสร็จแล้วไปด้วยเครื่องบินแต่ขากลับเนี่ยต้องนั่งรถแนดโรเวอร์มาเห็นหลวงพ่อเขียนท่านนั่งข้างหน้าอยู่ตัวผมและตามาเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังก็แปลกใจว่าทำไมพระอาจารย์ของเราเนี่ยท่านนั่งนิ่งมากไม่พูดแตาจะพูดออกมาก็พูดให้กำลับบงใจโชเฟอร์ ถ้าถามว่าจะเข้าของน้าไหมเฉยเราก็โอ้อาจารย์เราฉเฉยล้วก็เฉยไม่ว่ากันท่านนั่งตรนตนโนน่ะุงเทพมาถึงเนี่ยหน้าวัดป่าสุกตัอาตมาก็นิ่งเหมือนกันล่รู้สึกมีการปวดสวาขึ้ดมาปวดว่ามาทอามันแข็งมันเกร็งแต่ตั้งใจว่าอาจารย์ทำไงเราจะทำด้วยล่ะไม่ว่ากันท่านทนได้เราก็ต้องทนได้ในฐานะที่เรามาศึกษา เรามาพัฒนาชีวิตของตนของตนดูสิว่าท่านจะทําไงท่านเอาเท้านั่งไปนั่งสมาธิอยู่นบนเบาะเราก็นั่งเท้านั่งสมาธิอยู่บนเบาะครั้นี้ครั้งได้กับครั้งนั้นเน่ยมันมีไม้ต่ําเท้านะแล้วก็มันอักเสบอยู่มันปวดไขดันนะมันปวดแล้วก็เห็นว่าอาการที่มันขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวเออเป็นความรู้สึกตัวด้วยฮะ ลดลงหลุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสั่นสะเทือนนะมันเปลี่ยนความรู้สึกตัวด้วยนะอมันไม่ใช่ว่ายกมืออย่างเดียวะส่วนหนึ่งแล้ว่าเอานิ้วมากระทบกันเอ๊ะทำไมอาการนี้มันทําให้เกิดความสบายขึ้นไปปวดขาปวดแข้งมันก็ไม่มันมีอยู่แต่ว่ามันทนได้มันผ่านได้เปวดปัสสาวะนี่ทนได้ผ่านได้มานั่งนิ่งสังเกตดูเอ๊ะมันเหมือนกับชานเลยนะมันเหมือนกับพอมีสมาธิแล้วมันแยกแๆกันกายก็จะ ล็อกของข้าไว้อาการอยู่แค่นั้นะไม่ปวดไปมากกว่านั้น่ะที่สุดก็มันอยู่แค่นั้นมันก็นั่งมาจนชาน้าทอนล่าง่ะหายไปเลยพอมาถึงวัดหน้าประตู ว, วัดใจมันก็ยิ้มยิ้มเออถึงวัดแล้วถึงวัดแล้วยิ้มยิ้มอยู่เที่ยวข้าวห้องน้ําวันนั้นปรากฏว่าพอลงจากรถปับ๊บเนี่ยปฏิสธว่าหยดเลยนะตื้อๆหยดเลยมันเต็มที่ขึ้นมาเนี่ย อันนี้เก็คือข้อเสียของการอดทนแต่ว่าในการศึกษาก็ไม่เป็นไรเราได้รู้อ่อนในเกลือการของกายที่ยังไงก็เอาไว้อยู่แล้วมันก็หยดเดินไปห้องน้ําเมื่อก่อนห้องน้ําเนี่ยตรงตัลานหน้าขวามือยังไม่มีมีแต่กดไออห้องน้ําโปนอยู่ด้านหลังนที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ที่เขียนว่าห้องห้องน้ําพระห้องน้ําโยมก็เดินไปหยดไปนะ แล้วพอเดินไปถึงสลาไก่ก็มีอาการปวดเนื่องจากแผลอักเสบนะแล้วก็ที่นั่งขาทับกับแผลเนะมันทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาวันลุกขึ้นนี่มาทําบัดไม่ได้ตอนเช้าก็นั่นหมายถึงว่าเราได้เห็นอาการอดทนนะแล้วก็วันลุกขึ้นน่ะได้ยินเสียงสัญญาณค้องที่สลาไก่ดังก็เหมือนกับที่เราได้ยินตอนเย็นนี่แหละ ใจมันไปทำวัดนะมันลุกขึ้นยืนแต่ล้มทั้งยืนเลยเพราะขาข้างซ้ายเน่ะมันยืนไม่อยู่แต่ใจมันยืนอยู่ขาข้างขวายืนได้ขาข้างซ้ายพอก้าวก็ล้มเลยวันนั้นโอ้มันเป็นขนาดาษนี้เลยเนี่ยใจมันก็คุยะนะแล้วก็ไม่สามารถไปทำวัดแล้วก็ออกไปตักอาหารชช้าได้อีกออกไปบิณฑบาตก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้จนสาย ตอนนั้นมีพระอยู่รวมชื่อธนาก ร, กรก็เอาอาหารไปส่งใจก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเออมันก็มีความสุขของมันนะเจ็บปวดไปกินข้าวไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตักข้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสามวันเกตหลวงพ่อมเขียนท่านเดินไปหาตอนนั้นพักอยู่ที่กุฏิ 15, นะสิบห้ากุฏาโสกาในป่าก็ตั้งใจปฏิบัตินะเก็บอารมณ์ ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นอาการอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็รับรู้เรียนรู้แล้วก็มีการปล่อยวางในอาการต่างๆหลวงพ่อก็ไปรับแล้วก็เอามือนะมาแตะที่แผลโอ้บวมขนาดนี้เหรอคําพูดหลวงพ่อ ก, กับอาการที่ท่านสัมผัสเนเราสังเกตเลยตอนนั้นมันอ่านเลยโอ้ร้อยวันพันปีหลวงพ่อไม่เคยเข้ามาถึงนี่นีๆเลยนะไม่เคยเอามือมาจับบาดแผลเลยรู้ว่าเราอ่อนแอมากๆ ยามใดก็ตามที่อ่อนแอมากๆโอ้หลวงพ่อเข้าถึงตัวนะสังเกตอย่างนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์หลวงพ่อเข้าถึงตัวนะโอ้เห็นจิตเห็นใจของเรานะว่าเวลามันปวดยังไงเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลยังไงเวลาเกิดสัมผัสจากคนอื่นที่มีเมตตาเป็นยังไงนะเวลามันมีใครนะมันเป็นยังไงมีพล่ออยู่ร่วมไป น, นอนเป็นเพื่อนเนะช็ดเนื้อเช็ดตัวให้นะ แต่นี้ยังรู้สึกนะว่าคนเหล่านี้มีบุญคุณมันก็ไม่ลืมในจิตในใจในล่องรอยหรือแ ม, ม้กระทั่งนะอาจารย์หนุม่มอาจารย์ประวัตินะก็มีบุญคุณมากเป็นส่วนประกอบในการปิบัติดีเมื่อก่อนอาหารกันกบฉันก็เราไม่มีน้ําปลาหน้าไม่มีจะมีมาเป็นเดือก็เล่าว่าน้อยมากท่านจะต้มน้ํากระเจี๊ยบบ้างน้ําขิงบ้างแล้วก็ถือไป ภารูปไหนปฏิบัติธรำกนะต้ n g ออกมาท่านก็จะเสิร์ให้แล้วโอ้ในบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยไม่เคยเจอเคยเจอในชีวิตนคนดีๆก็ามาเกี่ยวข้องมันเกิด อ, อะไรหลายๆอย่างขึ้นมานอกจากละชั่วเราทําดีต่อกันเที่ยมกันก็คือการชาระจิตตรงนี้สําคัญข้างในเราเราเห็นอาการมากมายเหลือเกินนจิตคิดค ด, ดีจิตคิดไม่ดีที่เกี่ยวข้องจากการได้ยินได้ฟัง จากการสัมผัสสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆจึงเป็นการรับรู้เรียนรู้นอกจากเราฝึกตัวเองแล้วก็ยังมีธรรมชาติต่างๆมากมายวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนะึ่งสองสามศัล์สาราสิ่งต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดต่างๆเป็นสิ่งแวดล้อมนะที่สนับสนุนนะแล้วก็ขำจุนเกื้อกูนหะรือว่าสอบอารมณ์เรา ให้เราได้มีโอกาสเห็นตัวเองอยู่นะเห็นจิตเห็นใจของเรามันก็เพื่อมันวันไหวอย่างไรนมันเป็นปัญหาเป็นปัญญาอย่างไรยเมันมีคําตอบหรือว่ามันเป็นโจทย์ที่ยังเฉลยไม่ได้แต่ท้ายสุดมันก็เป็นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวที่ฐานกายดูกายไปดูกายมาการเคลื่อนกันไหวที่เราผลิตกระกายเป็นธรรมชาติของะ ธาตุขันทรูปขันท์ของเราที่มันมแสดงออกทั้งวันจะกินจะขับถ่ายมันมแสดงออกตลอดเป็นอาการของกายภาษาธร ร, รมะเรียกวเวทนาเราก็รู้จักอ๋อกเวทนาจิตของเรามันก็มีมากมายและเกินพอเริ่มต้นปฏิบัติเวลาคิดดีกเกิดปิติขึ้นมาเกิดอารมณ์บุญขึ้นมาก็เกิดปิติขึ้นไหยพอมีปิติมากมาะ จิตไปอยูกับตัวปิตินะบางทีก็หลงก็ไปบางทีก็รู้เท่ารู้ทันตัวปิติอาการของก็จิตนมันเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายนพอเกิดปิติขึ้นมาเดี๋ยวก็ขนลุกขนพองเดี๋ยวก็ตัวเบาเดี๋ยวก็ตัวหนาเดี๋ยวกันมีอาการยุกยุกยิบมากมายทีก็น้ําตาทําท่าจะไหลซึมออกไเนี่โอ้อาการอย่างนี้เราตัวปิติเนี่ยมีผลที่กายนมีผลที่จิตที่ใจนะ กายพาไปถึงจิตจิตพามาถึงกายอย่างเช่นว่าหลวงพ่อมากระทบสัมผัสเนี่ยเกิดจากที่กายก่อนจิตก็มาปรุงสัมผัสความอ่อนโยนความนุ่มนวลมือมามือสะอาดสะอาดมาจับที่เท้าถึงเราดูเป็นของต่ำของสกตกเนเกิดปิติขึ้นมาเราเห็นออกจากนอกพาไปข้างในบางทีเกิดจากคิดข้างในแล้วออกมาข้างนอก อ่อนเข้าในหนออกนอกสติเขารู้เท่ารู้แทนเห็นกายเห็นอารมณ์เห็นจิตเห็นใจของเราตอนหลังก็เห็นแล้วนะว่าเวลาปกติล้ำเผลอหลงไป็นยังไงความรู้สึกตัวมีตัวที่มันละเอียดลงไปที่ควรติดเอีกอยกเช่นปัสสธิความสงบเมื่อถึงสงบปฏิบัติลำดีดีขึ้นมาเงยียบเปล่อยู่คนเดียวนะ้มันมีความสุขมากๆากเอาความสงบมาเป็นความสุข เอาความสงบมาเป็นความพอใจตายสุดมันก็เลยกลายเป็นการรู้เท่ารู้ทันเมื่อเรานะมีการเคลื่อนการไว้อยู่บ่อยๆก็เห็นอาการมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีเก้าทีเก้าทีเก้าจากหยาบไปหาละเอียดโดยเฉพาะตัวคิด เ, เกิดขึ้นมาเราไม่ห้ามแต่เวลาเผลอหลงเข้าไปนะตรงนี้น ระหวที่บางรู้อยู่มันหลงอยู่แล้วมันเห็นตรงนี้โอ้โหมันอัศจรรย์มากเลยมันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนได้หลักปฏิบัตินะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะรู้เฉยๆเป็นปกตินะอ๋อเวลาตัวปกเต็มเกิดขึ้นมาเราประคองมันก็ไม่ได้นะความเป็นกลางประคองก็ไม่ได้นะเรื่องการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆประคองก็ไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปอาการทุกๆอาการมันคือสภาพธรรมคือสภาวะธรรมะ ที่แสดงออกมาขณะที่เราปฏิบัติเราเฝ้าดูอยู่นะมันจึงไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่กรรมกรไม่ใช่กรรมการนะอะไรที่เป็นหน้าที่จะทําตามเหตุแต่ปัจจัยก็ทําไปนะเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อําเขียนท่านมานะท่านพูดอะไรทําอะไรเราก็ต้องเป็นปัจจุบันท่านะพูดเดี๋ยวนั้นก็ต้องเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนั้นนะเช่นมาเช้านะท่านมาเทศเสร็จท่านก็พูดกับผมเลอตมาเป็นปัจจุบันอานะจารย์สุสินนะ เราก็เก็บไมเนะ่ะเราก็รู้แล้วเราเก็บที่นั่งเราก็รู้แล้ ว, ลวมีอาการเคลื่อนไหวอยู่ของตัวหลวงพ่อที่เหมือนกับมาหาเราแต่เราก็ยังปกติอยู่เราก็สังเกตว่าท่านพูดอะไรท่านก็พูดเบ า, บามีกระดาษทรายไหมเราก็รู้แล้วอ๋อกระดาษทรายเราก็เก็บไปยังไม่เผลอนะยังมีกระยังมีการเก็บไมกคโฟนส่งต่อ พอเสร็จงานนี้เราก็มาอีกงานก็คืองานที่ท่านส่งงานมาัมีกระดาษทรายไ้ย ม, มีครับท่านสั่งเป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องลงไปหาเลยเป็นปัจจุบันทันทีไม่ต้องอ้างว่าเดี๋ยวก่อนอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมหรือว่ามีคําพูดที่มันไม่ได้เป็นการปฏิบัติโตตอบทันทีทันควันเพราะปัญญาไหวพิปิพานต้องทันควันมันไม่ต้องรอ ทุกทันทีแก้ทันทีอย่างงี้ยนะท่านขอเราทันทีเราหาให้ทันทีนก็เดินไปหากระดาษทรายเราก็ไปทางท่านก็ไปทางท่านไปที่กุฏร้อยปีเสร็จแล้วท่านก็ไปอาจารย์ตุ้มก็ตามไปนี่คือดีลาของอาจารย์ในฐานะที่เราฝึกปฏิปทาเราก็รู้ทันทีตอบสนองทันทีเราก็เดินไปที่ใช้ ง, งานก่อสร้างน ได้กระดาษทรายมาเบอร์ยาเบอร์ละเอียดสองเบอร์ไม่รู้ท่นานเอาเบอร์ไหนกเรื่องท่านละเสร็จแล้ว ก, ก็เดินตามไปตามก็พูดว่าเออเส้นทางเส้นนี้นะมาได้เดินมานานนยเี้เราก็หยิบยื่นกระดาษทรายให้ะเป็นลารจบหน้าที่ของเราที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของท่านแต่ก็าถามไม่ได้หลวงพ่อเอาไปขัดอะไรหลวงพ่อจะไปขัดไม้เท้าหน่อยหลวงพ่อก็ทําไม้เท้า มันก็เลยมองหลวงพ่อว่าอ่อหลวงพ่อทําไม้เท้าหลวงพ่อจะชี้ต้นเถาวันหลวงพ่อจะตัดเถาวันทําไม้เท้าเราก็เลยรู้นะสภาวะธรรมาหลวงพ่อคือต้นไม้ใหญ่และต้นไม้ใหญ่ต้องการไม้เท้านะอันนี้ก็คือลักษณะของปรูรณาธิฐานธรรมมาธิฐานนต้นไม้ใหญ่มีถาวันและถาวันเนี่ยมันมีประโยชน์แต่เป็นถาวันในป่านี้นะ ที่ว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันชอบดึงต้นไม้ใหญ่ล้มะไม้ใหญ่ล้มพอมีมลสมมามีน้ํำมีลมมาจะดึงกันเรียกว่าล้มมาทั้งเถาวันทั้งต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่ใช้ะถาวันเป็นไม้ท้าคือต้องตัดออกไปเถวันต้องตายเนี่ยพอ ก, ก็ตัดแล้วก็คัดทําไม้เท้าเอาไว้ค้าเล่นสนุกดีมันก็บอกถึงองค์คารประยพน์ขององค์กรว่านะ เราก็จะต้องรู้หน้าที่นะว่าเราควรจะอยู่ตําแหน่งไหนทําอะไรที่ไหนเมือ่อไหรท่านอยู่เบื้องสูงในขณะที่ท่านสั่งเราก็ต้องทําทันทียเี้ตามหน้าที่ต่างๆแล้วเราก็จะเห็นเวลาท่านเกี่ยวข้องกับใครหรือใครต้องการทํางานทําการอะไรเพียงแค่เอ่ยป่าบอกวก็จะทําให้แน่นนี่ท่านจะพูดคําว่าดีก็คือคิดดีพูดดีทําดีนะมันมีการคิดดีด้วยตัวงตัวเองแล้วก็พูดดีทําดี แต่เทียมกันก็คือพูดแล้วต้องทำสิ่งไหนพูดสิ่งนั้นต้องทำสิ่งไหนทำก็เอามาพูดกันอย่างนี้นะไม่ใช่เพนะอเจอร์ส่อเสียดคำหยาบโกหกหรือว่าเอาในการก่อนมาพูดเป็นลนักษณะของมิตรที่ไม่ใช่มิตรแทนะ้คือสิ่งไหนพูดก็คือมันไม่ใช่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ปัจจุบั น, น, นท้ายสุดก็คือพอขอสิ่งใดก็ให้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ สงเคราะห์กับสงเคราะห์ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็จะตีแตกเป็นปุคลาที่สถานทำอธิฐานมากมายแล้วเกินในการเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นอันนี้คือความรู้สึกตัวนะที่มันเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดวิธีคิดขึ้นมาเราก็เห็นการเกี่ยวข้องกันไปอย่างนั้นนะนั่นก็จึงเป็นลักษณะของรูปแบบนอกรูปแบบแล้วก็ไววพิปติภานที่จะต้องใช้กัน ใช้ยังไงไม่ให้เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเกิดจากนะการฝึกสติฝึกปัญญาแล้วก็นําไปใช้ดนะูใช้ได้อย่างไรไม่ใช้ไม่ได้อย่างไรอย่างเงี้ยเรากลับมาพัฒนาที่ตัวเราเนี่ยแหละนะไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเลยอยู่ที่นีนะ้เพราะว่าทุกคนก็ใช้สิทธิ์อยูนะ่ตามพูนจิตพูนธรรมของตนของตนกันอย่างเงี้ยเราก็จึงนะเหมือนกับเป็นการระยะมิตที่สะท้อนนะ เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพอย่างไม่บิเดเบี้ยวทําให้เพื่อนเห็นตัวเองเห็นตัวเห็นตนของตนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งแวดสิ่งแวดล้อนที่เอือ้ออํานวยกับการวิวัฒนามากๆนะกับผมหรืออาตมา ก, ก็จึงเห็นว่าสถานที่วัดป่าจุตัวเป็นลักษณะของมหาลาัยชีวิตเป็นลักษณะของครอบครัวสาธิต ท, ที่เป็นครอบครัวใหญ่มากนทุกคนอยู่กันแต่ว่าไม่มีการทะเลาะเบาแวงหรือว่าบาดหมางกันแม้แต่นิดเดียว ควรจะมีภัยเพราะเราเด็ดขาดอย่างนั้นนะมันเกิดการเกิดปลายกฎการแต่าารันี้ขึ้นมาเกิดการเปลี่ยนไปก็คือเราจะสุขง่ายแล้วก็ทุกยากแล้วก็รู้สึกตัวง่ายมากทุกครั้งที่จิตมันเผลอหลงนิดเดียวมันก็รู้แล้วมักกลับมาทันทีสู่บ้านสู่ช่องสู่มาตรฐานของจิตก็คือความเป็นปกติอย่างน้นะมันเกิดได้นะ บอกเลยเกิดได้จ ร, จริงๆยืนยันเหมือนกับที่มาเช้าหลวงพ่อท่านยืนยันนความรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยมันพาไปเหมือนกับที่หลวงปู่หลวงปู่เทียนพระอาจารย์ผู้ที่ประดิษฐ์นะประดิษฐ์วิธีปฏิบัติก็คือการเอาความคิดออกไปไม่มีกรรมอะไกรรมที่เราประดิษฐ์คือตรงนี้แต่รูปแบบการเคลื่อนมือเนี่ยมีมาก่อนแล้วเราสมัยก่อนเวลาปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่นะ ถามว่ามากี่วันสามวันค่ะห้าวันค่ะเฮ้ยขนาดนี้ไม่พอหรอกต้องมาอยู่เจ็ดปีเรากาอยู่กันเนี่ยเจ็ดปีเลยน ะ, ะถ้าอยู่เจ็ดปีเนะี่ยไปให้ทาอย่างนี้นะเคลื่อนมือ1ิบสี่ใชเคลื่อนเดินจงกรมอยู่ในกุฏดนะว่าแล้วก็ล็อกกุญแจห้องเลยนะมีอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่จำชื่อวัดไม่ได้แต่พาไปถูกอยู่นะไปถึงแป๊บเนี่ย เข้าห้องล็อกกุญแจเลยเจ็ดปีมันติดคุกเลยเสร็จแล้วส่งข้าวโอ้โหอารมณ์มันจะเป็นยังไงเนาะคืออาจตายบางคนนะแต่เขาก็แก้ลงันถูกจุดนะคือต้องมีครูบาอาจารย์เ้วก็ต้องยอมรับเลยเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเสร็จแล้วหลายคนก็เรียกว่าได้ผลนะทำกันจริงๆอย่างตอนนี้ในกลุ่มในวัดเนี่ยบางคนบางท่านก็ไปอีกหลายสำนักนะ เช่นอยู่ที่นี่ก็มีบางคนก็บอกว่าฉันไม่อยากทํางานแล้วก็ฉันก็ไม่อยากปฏิบัติในรูปแบบด้วยมันเหมือนกับมีสองฝักสองฝ่ายในรูปแบบก็พวกกรรมฐานก็เป็นอีกพวกพวกทํางานก็เป็นอีกพวกทยสุดก็คือมีอีพวกเกิดขึ้นมาเสียงเงียบะก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยควรอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทําอะไรก็ทํำเลยแล้วก็บอกทุกคนก็คือพระลรหันหมดแล้วบรรลุธรรมหมดแล้ว ไม่ต้องทําอะไรแนะนําให้เลยมีที่หนึ่งแต่ถ้าทํากรรมฐานในรูปแบบหลวงพ่อเทียนต้องที่นี่แหละแล้วก็เข้าห า, าหรวงพ่อเขียนให้ถูกเ ว, เวลาเวลาเวลาเพราะว่าท่านบอกไว้เสมอว่าใครติดอารมณ์มาหาได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านก็ชะลาภาพแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บะท่านก็ทําให้ดูะพูดให้ฟังแล้วก็อยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเราก็อาจจะไม่ต้องถามท่านก็ได้แค่เห็นท่าน แสดงออกนะการเดินให้ดูนะว่าผ่อนคลายแล้วล่ะถ้าดูเป็นนะยิ่งพูดให้ฟังอย่างมืเช้านะเพียงพูดไม่กี่ประโยคนั้นนะคนที่ติดอารมณ์ถ้าฟังดีๆจะคลายแค่ฟังน้ําเสียงนะอย่าฟังเอาสาระนะเพราะคนที่ก็พูดระดับนี้เขาพูดได้จิตที่มันเป็นจิตหลุดพ้นนะเราฟังน้ําเสียงไม่ต้องเอาความหมายจิตมัก็หลุดพ้นอยู่แล้วล่นะลองสัง เ, เกต ด, ดูกันแล้วกันที่อามารย์แนะนำกรนะดาษนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออมนวยนะ ต่อการที่เราจะได้มาพัฒนาตนกันท้ายสุดก็จะได้เดินทางไปทางเดียวกับท่านนี่แหละไม่ลงทิศหลงทางท่านพูดเสมอว่าใครปฏิบัติแล้วง่วงก็มาทางเดียวกับพระเจ้าแล้วะใครทำละคิดฟุ้งซ่านทก็ามาทางเดียวกับพระพุทธองค์แล้วทางเดียวครูบาอาจารย์ท่านได้พูดถึงนิวรธรรมยามาเช้าท่านเทศน์แล้วท้ายสุดท่นเทศประโยคที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของท่านก็คือ ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรตรงนี้อาจารย์พระธาตุอาจารยมีคําว่าเป็นเช่นนั้นเองแต่หลวงพ่อเฉียนท่านมีคําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรหลวงพ่อเทียนท่านจะบอกถึงว่ามีอยู่เป็นอยู่ถ้ารู้ทุกก็รู้ทำเพราะนั้นเราทําต้องเห็นทุกใช่ไหมไอ้ที่เราเจ็บปวดเมื่อยทุกข์กายมันก็ถูกแล้วล่ะไอ้ที่จิตมันคิดฟุ้งปู ง, ปงแต่งนะ มันเบื่อมันเองก็ถูกแล้วคือทุกข์ใจถ้ารู้ทุกข์มันก็ต้องรู้ธรรมนะเมื่อเรามีการกระทําลงไปมันมีเทคนิคมันเกิดประสบการณ์ตรงขึ้นมามันผ่านหนึ่งครั้งสองครั้งสามคร้างมันก็ชํานาญในยทีเนี้ยเมื่อไหร่ละอันี่คือธรรมชาติรู้ทุกข์แล้วก็รู้ธรรมมันไม่เข้าไปยึดในสภาวะธรรมฉะนั้นทังเอามาเป็นความพอใจไม่พอใจมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็จึงพูดสู่กัน กันฟังสำหรับเช่นนี้ทเทมาทำร่วมกันอะไรเราสงควแก่เวลาเรากราบพร้อมกัน